ส่วนอรูปาวจรกุศลก็แบ่งเป็น อ, อรูปาวจรเนี่ยนะก็แบ่งเป็นกุศลมี4วิบากอีกสกิริยาอีกสเท่ากับ12บเนี่ยนะสก็แบ่งตามระดับอีกระดับอากาษ า, านนะแบ่งเป็น4ระดับชั้นระดับอากาศาระดับวิญญาณญจายตนะระดับอากินและเ네นวสัญญาผลเรียกว่าวิบากกุศลนั่นแหละที่เกิดในสันดานของพาธฐานเรียกว่ากิริยาก็จะเป็น12 ส่วนโลกุตระนี้ก็แบ่งออกเป็นแบ่งเป็น2นะเป็นชาติกุศลกับชาติวิบากนี่ยนะกุศลก็แบ่งออกเป็น5ชั้นเออขอไป4ชั้นเลยนะระดับโซดาสกะทาคามียนาคามีและอรหันต์สชั้นทีนี้ใน4ชั้นนี่ก็คูณด้วยแต่ละชั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นซอยละเอียดเป็นอย่างละ5ชั้นคือโดยองค์ชาญเนี่ยนะ ก็เท่ากับ20เพราะฉะนั้นวีบกุศลเรียก4ก็ได้โดยย่อวิบาก4ี่โดยย่อแต่ถ้าคูณองค์ชานเข้าไปเนี่ยกุศลที่เป็นโลกุตระโดยย่อมีอ่โดยพิสดารมี20โดยวิบากโดยพิสดารมี20เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจิตโดยโดยภูมิเนี่ยนะภูมิของจิตเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครอมภูมิไหนไว้มากก็อม เออคนนี้อมภูมิน่าดูเลยอมภูมิไหนล่ะกามาปรจรก็มีรูปปลาวจรก็มีรูปลาวจรก็มีแต่ว่าที่เห็นมันเหมือนกันคืออมน้าลายก็เปานทำไมไม่เป็นกิริยาถ้าเกิดแล้วก็เป็นอาหารเป็นังก็เป็นทำไมไม่เป็นกิริยา เป็นตั้งสองดวงอ่ะใช่ไหมก็ปัญจทวาราวัชนะกับมโนทวาราวัชนะนิดเดียวอ่ะแล้วคุณจะเอาเท่าไหร่ดิจะเอาเท่าไหร่เอายี่สิบเลยน ะ, นะคือถ้าถามอย่างนั้นต้องถามว่าทำไมโลกุตระกุศลไม่เกิดสักดวงสองดวงเอางี้ก่อน จะเลยไปเป็นพาดหันมปกระโดดกบไม่ได้กบกระโดดไม่ได้นี้โดยต่อไปนะโดยโสพนะอสโสพนะเนี่ยโสพนะอสโสพนะเนี่ยไโสพ น, นนะอสโสพนะ โสภนะโดยทั่วๆไปท่านนิยมบอกว่าจิต ท, ที่เกิดร่วมกับโสภนะเจตสิกนะโสภนะเจตสิก ค, คืออะไรคือโสภนะสาธารณะเจตสิกสิ 19. เก้นี่ยนะกก็แบ่งว่าสัทวิริยสติหนะิริโอตปะอโลภาอโทสะตัตระมัช ต, ตาตา แล้วก็กลุ่มยุคควรธรรมอีกหคู่เนี่ยนะก็เลยเป็น19เก้าเพราะจิตดวงใดที่ประมีโสพณาเจตสิกประกอบเนี่ยนะจิตดวงนั้นเรียกว่าโสพณาจิตส่วนอโศพณาจิตคือไม่มีโสพณาสาธารณาเจตสิกเลยเห็นไหมท่านจะเข้าใจอันนี้ต่อเมื่อเรียนเจตสิกดีจึงจะเข้าใจทีนี้ในอโศพณานี่ก็แบ่งเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มอขออภัยแบ่งเป็นสกลุ่ม คือกลุ่มอาคุศลกลุ่มวิบากและกิริยาเนี่ย น, น, นะอโศพณะนะที่เป็น อ, อ, อาคุศนก็เป็นอาคุสน์สิที่เป็นวิบากก็เป็นวิบาก15หเนี่ยนะหรือที่เป็นในที่เป็นกิริยาอีก3เพราะฉะนั้นในวิบาก15กิริยา3ามเรียกชื่อหนึ่งว่า อเหตุกจิตเนี่ย น, นะเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอาเหตุกัจิตนั่นเองเนี่ย น, นะ่วนอากุสลก็ตรงตัวเพราะฉะนั้นจิตทั้งหมด30เนี่ยนะเรียกว่าอาโศภณะจิตแปลว่าจิตที่ไม่มีโศภณะเจตสิกประกอบแต่ถ้ามองในแง่อากุสลก็บอกว่าจิตที่ไม่ดีตรงเลยใช่ไหมโศภณะเนี่ยโสผลแปลว่างาม ถ้าในอาคูสุนี่จิตไม่งามเนี่ยตรงๆแต่ถ้าวิบากบางอย่างก็ผลผลของความงามมันก็ไม่งามเพราะเขาไม่ค่อยนิยามว่าอาโศภะนัแปลว่าจิตที่ไม่ดีแต่นิยมแปลว่าจิตที่ไม่มีโศภะเจตสิกประกอบนะไม่มีเจตสิกสิบเก้าดวงประกอดสิบเก้าดวงนี้เขาต้องยกชุดเลยเนียเป็นยกชุดเหมือนกับคอมพิวเตอร์ซ่อมบางอย่างไม่ได้ท่านต้องยกอะไรอย่างเดียวนะยกชุดเลยลักษณะเลยตัวเจตสิกเหล่านี้ถ้าเขามีหนึ่งต้องมีทั้งหมดไม่มีการ แบบเกี่ยงกันไม่ได้เขาทํา ง, งานเป็นทีมกันที่นี้ในโสภณะจิตเนี่ยนะก็มาแบ่งเป็นอะไรวิธีแบ่งง่ายๆก็คือเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระถ้าเราเอาโดยภูมิมาจับแบบนี้ปั๊บนะวิธีไล่ตัวเลขก็ไล่ไมายากละที่เป็นกามาวจรที่เหลือเท่าไหร่ละเพราะเอาไปเตั้งเยอะแล้ว มันก็เป็นกามาวาจรยีสบสีรูปาวาจรสิห้าอรูปาวาจรสิบสองแล้วก็โลกุตระ8ดหรือสี่สิบแล้วก็มาหาคํานนทว่ามันเท่าไหร่นั่นแหละเรียกว่าโสพณจิตเรียกว่าโสพณจิตคือจิตที่เวน้อนอสโผนะที่เหลือเป็นโสพณหมดนั่นะของเราเรียนแบบ ผู้ใหญ่กันนะก็อาศัยใช้ความคิดเอานะค่อยๆทําความเข้าใจเอาบ่อยๆบ่อยๆถ้าเรียนแบบและอ่อนท่องอย่างเดียวบอกว่าโอ๊ยมายัางไงเพราะอะไรเพราะผมไม่รับรู้ทุกอย่างให้ผมท่องเลนะเคยเรียนกันณ์เนรือเปล่าเรนรอายุสัก1213เนี่ยที่บายมากไม่รู้โอ้โหถ้าว่าพาท่องนะดันสนั่นห้องไม่หมดชอบมาก <c oughs> แต่บอกอะไรมาจากอะไรอะไรต้องไปบวกอะไรไม่รับรู้สักอย่างบอกให้ผมท่องเนอะอยไท่านอาจารย์อนราิึงว่าที่เราเป็นมนุษย์นนะคะเราก็ต้องมาจากเหตุใช่ไหมคะทีนี้เหตุถกแต่ตุท้ไมมีปียาไม่สามตัวเหตุแปลว่าอะไรเหตุเหตุเออเหตุก็เหตุนใช่เหตุก็เหตุอะเหตุมันคืออะไรเออเหตุถกก็คือเหตุถกก และอาเหต์แปลว่าอะไรอเหตคือไม่มีเหตุไงคือไม่มีเหตเออุก็ไม่มีเหตุไหนไม่มีเหตุหกเออก็ไม่มีเหตุหกเลยสิแล้วจะให้มันเป็นางานอะไรกันนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหตุบางศัพท์เนี่ยมันมีหลายความหมายอานะอเหตุอเหต์ตัวนี้เนี่ยหมายถึงเหตุตัปัจจัยแปลว่ามันไม่ได้เกิดจากเหตุตัปัจจัย แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดจากปัจจัยไม่ได้แปลอย่างนั้นคือคือต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ทุกต้นถ้าก็บอกว่าต้นไม้ต้นเนี่ยมันไม่มีรากแก้วปกติรากแก้วมันมีสามรากอย่างเงี้ยบางต้นนะนยบางต้นก็มีมีรากแก้วอยู่สองรากใหญ่ๆนะบางต้นมีรากแก้วอยู่รากเดียว มีมีรากแก้วอยู่รากเดียวสมมุติถ้าต้นไม้ใดมีรากหนึ่งรากเขาเรียกว่ามีเหตุเดียวต้นไหนมีสองรากก็าเรียกว่าสองเหตุสองรา ก, ก น, นะนะสองมูลถ้าต้นไหนมีสามรากเนี่ยา ก, ก็มาแบ่งกันตามนี้แต่ต้นไม้ทั่วๆไปอะ่ะจะเป็นดอกเข็มดอกอะไรก็ตามมันต้องมีรากฝอยอยู่แล้วรากฝอยอย่างนี้เรียกปัจจัยเนี่ยนะต้นไม้ทุกต้นมันก็ต้อง สํานวนว่ามันดูดพืชนะมันเว้นได้ดอกฝอยทองอะไรที่มันแขวนแขวนอยู่ข้างบนอากาศนะดอกนั้นไม่เอาต้นแบบนั้นไม่เอาไอ้ต้นแบบที่ฝังดินนะนะมันจะต้องอย่างน้อยต้องมีรากฝอยใช่ไหมไอ้รากฝอยเรียกเหมือนปัจจัยไอ้ที่ว่าอเหตุตุกจิตแปลว่ามันไม่มีรากแก้วแบบนี้เอารากแก้วเป็นหลักเพราเหตุปัจจัยแปลว่ารากแก้วรากแก้วของความคิดนะนะเพราะคนที่มีรากแก้วทางความคิดเนี่ยเช่น เอานะเหตุสองเนี่ยคืออะไรบ้างอ pues, <ee> ่ะโลภเกิดเนี ance, ่ยม right. ีสองรากใช่ไหมเพราะมันมีรากอย่างเงี้ยมันจึงชอบได้นานชังได้นานไอ้ความชอบมันจึงมีผลต่ออย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะเพราะจิตอันนั้นมันมีรากถ้าโกรธนะโทสะก็มีสองรากเหมือนกันเพราะเวลาโกรธเนี่ยมันจึงพูดมากจึงอะไรมากเป็นต้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันมีรากความคิดอันนั้นมันมีรากแต่ถ้าโลภล่ะโลภขอไปโมหะนั้นมันมีรากเรียวมันโง่ แต่ว่าถ้าถ้าแก้ได้ก็แก้เป็นอนะนีโมโง่ธรรมดาแบบไม่มีโทสะไม่มีโลภะเนี่ยถ้าถ้าแนะนําถูกต้องก็น่าจะแก้ง่ายเพราะมันไม่ต้องไปโลภไม่ต้องโกรธอะไรแก้งโง่อย่างเดียวแต่ทีนี้ในแง่กุศลก็เหมือนกันนะที่เป็นอะโลภะกับอโทสะจิตพวกนี้ก็มีรากสองส่วนนี้อติเหตุติเหตุตเตนี่ยสามราก ส่วนอาเหตุตุกัจิตเนี่ยแปลว่ามันต้นตระกูลที่รากฝอยทั้งหลายแหละไม่ใช่ไม่อาศัยปัจจัยอาศัยปัจจัยแต่ไม่มีเหตุตุปปัจจัยปัจจัยเนี่ยนะมันมีอยู่ยี่ปัจจัยคุณในยี่สี่ปัจจัยมันมีอยู่หนึ่งปัจจัยปัจจัยอันแรกในยีสี่คือหนึ่งเหตุตุปัจจัยอาเหตุตุกัจิตมันไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยมันเกิดจากปัจจัยอื่น แปลว่าไม่ได้เกิดจากเหตุัจจัยเรียกว่าอหิตุกัจจิตเท่านั้นเองคือคำว่าเหตุเนี่ยมีอยู่4เหตุสความหมายเหตุเตุนะเหตุเหตุเหตุุเหตุปัจจยเหตุสาธารณะเหตุอุตมะเหตุแต่เขามีตั้งเหตุ6อ่ะก็มีคำว่าสับว่าเหตุนะมีหลายใน เหตุไหนเหตุไหนเหตุ6กเหตุไหนอ่ะเหตุเหตุมันหมายถึงเหตุ6อะ่ะวันนี้สรุปอย่างเดียว วิจิต89หรือ121ดวงเนี่ยนะการมาจำแนกโดยประเภทต่างๆเนี่ยก็เป็นพื้นฐานในการเอาไปพิจารณาอะไรอีกลยเรื่องด้วยกันเนี่ยนะพานั้ น, ะ น, นพวกที่เจริญจิตตานุปัสนาเนี่ยการเอาเรื่องนี้มาคิดมากๆเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากเนี่ยนะอย่างที่ที่กล่าวนะเรื่องถ้าเรียนสมมตินะถ้าเรียนอารัมมนะปัจจัยเนี่ย เนี่ยตัวอารมณ์นะเช่นรูปเป็นอารมณ์เนี่ยบอกสมว่ารูปายตนะเนี่ยเป็นอารมณ์อ่ะถามมั่วเป็นอารมณ์ของอะไรเป็นอารมณ์สมมติว่าของจิตใช่ไหมจิตดวงไหนบ้างมามีรูปเป็นอารมณ์มก็ค่อยๆไล่ไปอย่างงี้ยเลยแล้วใช่ไหม ก็มาคิดเนี่ยต้องมาฝึกคิดแบบนี้ทีทีีคิดเท้านะมีสมมติค่อยๆไล่ไปถ้ามีสีขาวเป็นอารมณ์เนี่ยเขไล่ไปใช้จิตดวงไหนบ้างก็ก็แบ่งว่าสีนี้มันเป็นอิทารมหรืออนิฐาหรืออนิฐาก่อนเห็นไหก็ไล่ไปทีนี้ก่อนที่จะรับรู้เนี่ยมันต้องอาวัชนะก่อนนย เหมือนกันคืออาวัชชนะต้องคิดถึงสีก่อนคือเมื่อเมื่อมีองค์ประกอบนะเมื่อมีวัตถุมีตามีมีสีมีแสงสว่างอะไรนะสิ่งที่คิดถึงสีอันดับแรกก็ต้องเป็นปัญจทวาราวัชนะหรือชื่อตรงๆเรียกจักขู่ทวาราวัชนะถ้าสีที่ไม่ดีจักขู่วิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากก็เกิดถ้าสีที่ดีก็จกักขูวิญญาณที่เป็นกุศสนวิบากก็เกิดก็ไล่มาอีกนั่นเอง ทีนี้ถ้าจิตที่รับอารมณ์ต่อเรียกว่าสัมปติชนะคนละสายเลยเนะี่ยอันนี้เป็นตั้งอันนี้มาเรียกว่ากุศลวิบากเนีย่ยนะถ้าฟังนี้เรียกว่าอกุศลวิบาก แล้วก็ต่อด้วยสันติรณะเนี่ยนะทีนี้อิทธารมก็แบ่งออกเป็นสองอ่ะนะอติอิทธารมมันจะมีพิเศษเอติอิทธารมเนี่ยเป็นอารมณ์ชั้นพิเศษเพราะฉะนั้นมันจะมีสันติรณะแบบพิเศษขึ้นมามาไตาส่สวนเนี่ยนะเป็นผลของบุญเหมือนกันแต่ถ้าเป็นอารมณ์ธรรมดาอิทธารมก็จะเป็นสันติรณะธรรมดา แล้วก็ต่อด้วยอะไรวัวทพนะเนี่ยนะทีนี้ก็มาแบ่งว่านะค่อยๆแบ่งอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นอากศลวิบาก็นะวุเนี่ยนะก็ไล่มาอย่างนี้ก่อนพอเห็นสีนี้แล้วคิดยังไงต่อไปนะก็จะได้มาคิดสีนี้ถ้าเป็นอิทารมโดยทั่วๆไปเวนะเป็นอิทารมนะชาวนะจะเป็นโสมนัต ถ้าเป็นอารมณ์ธรรมดาทั่วไปโดยมากเป็นเบกขาถ้าเวทนาอย่างนี้นะคำนวณหาจิตได้ล้หาจิตยังไงโสมนัสเนี่ยเขาแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลถ้าเป็นกุศลมายังไงถ้าเป็นกุศล น, นะต้องเป็นไปกับเช่นศีลสังวรเนี่ยนะสติสังวรนฉ่มันก็เป็นโสมสพันที่เป็นกุศล นี่ก็มาดูว่ามีปัญญาประกอบหรือไม่แบ่งออกเป็นสองไหมมีญาณสัมปยุทธ์หรือญาณวิปยุทธ์แล้วเป็นอาสังหรือ ส, สังวิปยุทธ์ก็อาสัง ส, สังนี่เป็นอากุศลโสมนัสก็มีโลภะ8โลภะก็แบ่งเป็นทิฏฐิกะตสะสัมปยุทธ์หรือวิปยุทธ์ทิฏฐิกะตะก็เป็นเป็นอาสัง ส, สังอาสัง ส, สัง นนะถ้าเฉยเอาเห็นแล้วเฉยเฉยแล้ก็มาวิเคราะห์แบบเฉยอีกเฉยด้วยกุศลกับเฉยด้วยอกุศลถ้าเฉยด้วยกุศลก็แบ่งว่าอา้าวยานสัมปยุทธหรือวิปยุทธก็จะแบ่งมาเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยนะถ้าเฉยด้วยอกุศลก็มาว่าโลภะเอกโลภะแใช่ไหมไม่โลภะสี่ โลภะสี่ก็แบ่งเป็นที่ถีขตสะสัมปยุท์ที่ถิขตะวิปยุทธ์สัมปยุทธ์วิปยุทธ์ก็แบ่งเป็นอย่างละสองก็เป็นอย่างนี้ก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเห็นแล้วอิอทธารมะแต่ว่าไม่ได้อย่างใจคิดมันเกิดไปพลิกมันควรจะเป็นโสมนัสอุเบคาใช่ไหมมันเกิดไปมีโทสะเข้าทําไงวิเคราะห์ยังไง ว่ามันมีไอ้ที่มันผิดประเภทเย้อนอีกนิดหนึ่งนะอุเบกขาแบบโมหะก็มีด้วยนยะโมหะมีสองใช่ไหมอุเบกขาแบบโมหะมีสองแล้วถ้าโทสะโทสะก็แบ่งเป็นสองคืออสกกสะสังขาฤกษ์กับสสังขาฤกษ์เพราะฉะนั้นชาวนะจะต่อมาอย่างไรเพราะนั้นเมื่อเห็นปั๊บเนี่ยคิดยังไงกับอารมณ์นั้นคิดยังไงกับอารมณ์ปัจจัยนั้นหรืออารมณ์ปัจจัยคือสี มีผลต่อจิตอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในขนานั้นเมือม่อเราเรียนสูตรมาดีเนี่ยแทบจะอ่านจิตว่าจิตของเราคืออะไรใช่ไหมวิเคราะห์ว่าจิตของเราคืออะไรเมื่อมีสีเป็นอารมณ์พันเห็นสีก็อ่านจิตได้เนี่นย ม, มีสีเป็นอารมณ์มมทั้งหมดแต่จะขึ้นสายเป็นสายไหนก็ได้เนี่ยเป็นชาวนะกลุ่มไหนก็ได้ เมื่อชาวนะกลุ่มเหล่านี้ก็มาแบ่งตามวาระโดยอ น, นะอุปนิสัยปัจจัยจะต่อด้วยอะไรต่อไปคิดยังไงต่อไปนั้นความคิดในโลกมันจึงซับซ้อนมากอุปนิสัยมันเยอะปัจจัยมันมากแต่ถ้าในการฝึกแบบนี้เป็นพื้นพื้นเนี่ยนะในหนึ่งสีโอใช้ความคิดแบบนี้ของเราทั่วๆไปโดยมากก็เรียนมานะเคยเรียนมาบอกหู oo, ขณะเดียวจิตก็ดับเพรีวมาก แต่ว่าจิตดวงไหนมันเป็นระบบเป็นขบวนยังไงบ้างไม่ค่อยไม่ค่อยศึกษาเพรา ะ, ะนั้นก็เลยเอาเร็วเข้าว่าหูเร็วมากใครจะเลยทันก็เลยเลิกคิดต่อไปเลยรู้แต่ว่าเร็วเร็วนันะแต่ว่าให้ให้หมั่นมาใคร่ครวนแบบนี้ถ้าอากุศลวิบากอะไรเกิดต่อแล้วจะต่อด้วยชาวนะอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต่อด้วยโสมนัสก็ได้ต่อด้วยอุเบกขาก็ได้ต่อด้วยอะไรก็มาอ่านว่าเมื่อมีสีเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเราคิดยังไง คิดแล้วต่อไปจะมีผลยังไงต่อไปในแง่สังสมอุปนิสัยในแง่อัธยาศัยเนี่ยนะ